ที่เป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตในใจแต่ไม่รู้จิตรู้ใจเห็นจิตเห็นใจในการที่จะแก้ปัญหาในทางด้านจิตใจได้นี้จึงเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาทั้งสองส่วนในส่วนที่เป็นศีลธรรมนั้นหลายทั้งหลายก็ต่างเป็นผู้ที่ศึกษามาดีแล้วปฏิบัติมาดีแล้วการให้ทานรักษาศีลการเอมีความสามัคคีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเราก็ทํามาดีแล้ว แต่ความทุกข์ในทางด้านจิตใจนั้นยังไม่หมดไม่สิ้นเราก็ต้องจําเป็นที่ต้องมาศึกษาเรื่องโลกุตระธรรมศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจศึกษาเรื่องนามธรรมศึกษาเรื่องสังขารร่างกายจิตใจนี้ให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเพื่อในการจะลดละอุปาทานความยึดถือหรือการรู้จับปล่อยวางอุปาทานปล่อยวางกิเลสปัญหาต่างๆนั้นให้มันขาดไปดังนั้นจึงเป็นส่วนที่ เราต้องใส่ใจในส่วนนี้เพราะว่าศีลธรรมนั้นมันเพื่อละงับดับทุกข์ในทางด้านจิตใจ <c oughs> ยังไม่ได้หมด <c oughs> แต่ส่วนที่เรามาศึกษาด้านประวัติธรรมมราสามารถที่จะระงับดับทุกข์ในทางด้านจิตใจของเราได้สามารถที่จะทำให้เกิดความเห็นแจง้งรู้จริงได้ในสภาพสังขารร่างกายจนสามารถรู้เท่ารู้ทันกฎของธรรมชาติคือความเป็นอนิจจง หมายถึงความไม่เที่ยงของโลกของสังขารของร่างกายรู้ความไม่เที่ยงของจิตของใจหรืออารมณ์ที่พวงแต่งเมื่อเรามารู้ความไม่เที่ยงในส่วนนี้เราก็จะได้เบื่อหน่ายคลายความยึดถือในสิ่งที่มันไม่เที่ยงจะรู้จักทําใจนั้นปล่อยวางได้ในเมื่อสังขารร่างกายแต่นี้มันแปรปวนเปลี่ยนแปลงก็รู้เท่ารู้ทันว่ามันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นที่แม้มันจะแตกสลายจะตายไป เราก็ต <là> ้องต้องทําความรู้ท่ารู้ทันมันไม่เอาใจนั้นต้องไปอาะเป็นทุกข์ก็บสิ่งที่มันไม่เที่ยงนั้นจนเกินไปรู้ท่ารู้ทันแล้วรู้จักวางหากว่าเราไม่รู้ท่ารู้ทันแล้วเนี่ยมันทุกข์เดี๋ยวสิ่งนั้นพัดพากจากไปเดี๋ยวสิ่งนี้พัดพากจากไปเดี๋ยวก็สิ่งที่เรารักเราหวงแหนพัดพากจากไปเราก็เป็นทุกข์เดี๋ยวสามีพัญญาต้องพัดพากจากกันไปก็เป็นทุกข์ ทกเพราะเราไม่รู้เท่ารู้ถังสังขารเพราะเราไม่ยอมรับสภาพความจริงไม่ยอมรับสภาพของธรรมชาติไม่อยากใหมันเป็นอย่างนั้นแต่มันก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราต้องเตรียมใจเอาไว้ทุกท่านต้องเตรียมใจเอาไว้แน่นอนที่สุดชีวิตของคนเรานั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงต่างก็ตกอยู่แต่อำ น, นาจของพยามัตจุราชไปกันทุกคนวันใดวันหนึ่งสิ่งที่เรารัก เราทะนุถนอมเราหวงแหนมันจะต้องจากเราไปถึงเราไม่จากมันไปมันก็ต้องจากเราไปดังน้นเราจะสามารถทาอย่างไรจะไม่ให้ใจต้องเป็นทุกข์กับสิ่งที่มันต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี้ได้ทาอย่างไรใจเราจะไม่เป็นทุกข์ในขณะที่รูปที่เรารักเราหวงแหนเขาต้องมีอันเป็นไปจากเราแตเมื่อเขาผลากจากเรา ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ด้วยกันนี่เราก็มีความฝึกแต่ว่าเมื่อถึงเวลานั้นเราจะทําอย่างไรใจเราจะรู้ท่ารู้ธรรมละออสังขารแต่นนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเกิดอย่างนั้นต้องดับอย่างนั้นแต่ถ้าเรามาฝึกสติมาฝึกเจริญสติเจริญปัญญาแล้วเนี่ยมันจะรู้จะเข้าใจเห็นสภาพความจริงของชีวิตตามความเป็นจริง เมื่อสิ่งที่เรารักเรายึดถืออยู่นั้นมันเป็นไปเราก็รู้เท่ารทันเราก็ไม่ทุกข์แต่เราจะทำหน้าที่ช่วยเหลือให้ถึงที่สุดแต่เราไม่สามารถช่วยเหลือได้แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดามันต้องเป็นอย่างนั้นนี่แหละแค่เราได้เตรียมใจฝุกใจเอาไว้เราก็ไม่เป็นทุกข์เพราะสังขารในโลกทุกส่วน มันมีสิ่งที่สม่ำเสมอกันในเรื่องความความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายแตะเรหรือช้านั้นมันอยู่ที่แต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกันบางคนก็มีอายุอยู่นานบางคนก็มีอายุ น, น้อยเกิดมาไม่กี่วันก็ต้องอะละทิ้งสังขารออกไปร่างกายก็แตกดับไปเพราะนั้นถ้าเราได้มาฝึกสติทาสติเจริญ ส, สติให้มากๆรู้ เขารู้ทันต่อสภาพสังขารร่างกายต่างความเป็นจริงของเราดังแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราอยู่สบายเข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมชาติเห็นธรรมชาติเห็นชีวิตตามความเป็นจริงก็ได้ไม่ต้องเป็นทุกข์กับโลกกับชีวิตมากจนเกินไปเพราะนั้นจึงต้องมาศึกษาธรรมะการศึกษาธรรมะก็คือศึกษาตัวเองเมื่อเรารู้ตัวเองเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองก็รู้ผู้อื่นเห็นผู้อื่นเหมือนกันเช่นเดียวกันไม่ผิด แ, แตกต่างอะไรกัน เมื่อเราเป็นทุกข์อย่างนี้คนอื่นก็ทุกข์เหมือนกับเราเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเรานั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่เป็นของชั่วคราวเป็นของที่เกิดมาชั่วระยะหนึ่งก็ต้องแตกดับไปในขณะที่มีทุกข์อยู่เราก็ไม่รู้ถ้าไม่รู้ทันก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดชีวิตที่มีลมหายใจอยู่ถ้าเรารู้ถ้ารู้ทันเข้าใจมันแล้วก็รู้จักทําใจนั้นปล่อยวางมันได้ ทำใจเรานั้นให้สงบประงับอยู่กับสิ่งนั้นได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นอยู่ในโลกนี้อย่างเป็นปกติสุขคือไม่เดือดร้อนใจจนเกินไปเพราะต้องอาศัยธรรมะต้องอาศัยการฝึกหัดจิตใจต้องมาเจริญสติเจริญปัญญาเจริญญาให้เกิดขึ้นในตัวของเราเองเพื่อที่จะยังรู้ธรรมชาติสองส่วนนี้ตามความเป็นจริงเมื่อเราสามารถเห็นความจริงเหล่านี้แล้แลวเราก็จะได้ คลายได้จากความยึดถือในรูปในนามในกายในใจไม่ต้องไปยึดไปถืออะไรมากเกินไปสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นสิ่งใดมันจะแตกดับมันก็แตกดับเนะมื่อเห็นมันจย่างนี้แล้วเราก็เข้าใจมันในส่วนที่เป็นสังขารภายนอกในส่วนที่เป็นสังขารภายในเราก็ต้องเรียนรู้ศึกษากันอีกต่อไปว่าความโกรธมันเกิดขึ้นมาเพราะสาเหตุอะไรเพราะอะไ ร, ไรมันทํำยังไงมันถึงเกิดมาความโลภความ ไม่รู้นี่มันเป็นจริงใดเราต้องศึกษาเพะเมื่อเรามาทําสติทําความรู้สึกให้ตื่นขึ้นมาทําหน้าที่รับรู้อ่าสิ่งที่เป็นรูปเป็นนามแล้วเนี่ยมันรู้จักมันเข้าใจมันเหน็นอารมณ์เห็นความรู้สึกชัดแจ้งรู้จักทําใจนั้นให้อยู่เป็นกลางได้ให้จใหจยอยู่ด้วยเบกขาให้ใจเราอยู่ที่สติให้ใจอยู่ด้วยปัญญาในการรู้เท่ารู้ทันเห็น ตามความเป็นจริงก็ทําให้เราอยู่สบายเราถึงมันจะตายก็ตายมันจะอยู่ก็อยู่เมื่อมันทุกข์เราก็รู้จักทุกข์รู้จักปล่อยทุกข์รู้จักดับทุกข์มันก็เป็นการเลิฟลาปปัญหาไปเพราะว่าเราหากว่าเราไม่เรียนรู้สิ่งนี้แล้วเราก็ทุกข์อยู่ต่อเวลาแหละเห็นสิง่งนั้นไม่พอใจก็ทุกข์เห็นสิง่งนี้ชอบใจก็ยึดมั่นถือมั่นอยากได้ใจก็ไม่อยู่ด้วยความเป็นปกติเพะนั้นถ้าเราได้เรียนรู้ตัวเองเห็นจิตเห็นใจของเราเองแล้ว ก็ทําให้เรารู้จักปับใจนั้นถ้าอยู่เข้ากับธรรมชาติได้อยู่กับธรรมชาติด้วยความไม่หลงไม่งวัวเมาไม่ประมาทรู้เท่ารู้ทันต่อธรรมชาติเหล่านั้นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นสิ่งเรื่องของคนธรรมะก็คือคนนี่แหละธรรมะก็อยู่ในตัวเรานี่แหละพระเออ์ที่ทรงสัง่งสอนธรรมะก็เอาเรื่องของคนเรามาสอนก็เรื่องของจิต เ, เรื่องของใจเรื่องของความสุขความทุกข์ เรื่องของความดีความชั่วเรื่องของบุญของบาปเรื่องของสวรรค์เรื่องของนรกเรื่องของการเาวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการที่เราเป็นอยู่ร่วมกันนี่แหละไม่ไดเอามาจากที่ไหนเอาสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวเรานี่แหละในสิ่งที่เป็ น, นา ม, มาทําก็เห็นได้ชัดนในจิต ใ, ในใจของเราทําเาวียนว่ายตายเกิดอย่างไรก็ศึกษามันดูกิ le, เลสเวียนว่ายตายเกิดไหมความโลภเวียนว่ายตายเกิดไหม dess? ความโกิดประเยียนไหวตายเกิดไม่ราคะโทสะโมหะกันเยียนไหวตายเกิดจิตในใจของเรามันทําให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราสามารถตัดกระแสการเยียนไหวตายเกิดเป็นผู้ที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีราคะโทสะโมหะมาเกิดกับจิตกับใจแล้วใจมันก็หมดไปจากการเยียนไหวตายเกิดมันก็มีชีวิตที่เป็นอมตะเป็นชีวิตที่ไม่ตายเป็นชีวิตของผู้ที่มีสติตื่นอยู่สม่ําเสมอเป็นผู้ที่รู้เท่าทันโลก ไม่หลงโลกไม่ตกอยู่เป็นธาตุของอารมณ์ของโรคต่างๆแม้จะมีราบยศเสน่หความสุขเกิดขึ้นก็ไม่มัวเมาไม่หมกไม่หลงในสิ่งนั้นส่วนราบส่วนยศถูกมินทามีความทุกข์ก็ไม่ต้องไปเสียใจกับสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องของโลกที่มาเป็นอย่างนั้นสัมภารทําจิตทําใจได้ฝึกจิตฝึกใจได้รู้จิตรู้ใจได้เห็นจิตเห็นใจได้เราก็เป็นผู้ี่อยู่เหนือโลก อยู่เหนือความทุกข์อยู่เหนือความเดดร้อนวุ่นวายของสังคมนี่เป็นส่วนที่เป็นเอการฝึกขัดปฏิบัติใจให้มันสูงสูงจนพ้นจากนารกพ้นจากความเป็นสัตว์พ้นพ้นจากความเป็นเปรตอสุรกายพ้นจากสวรรค์จนพ้นจากความเป็นอารมพ้นจากโลกแห่งการเกินไ่ายตายเกิด นั้นหมายถึงทําจิดทำใจให้มันหลุดเพ้นไราต้องไปจุดนั้นน่ะไปจุดที่มันไม่เกิดไม่แต่ไม่เกิดไม่ตายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนนั่นแหะเราต้องไปจุดนั้นนั่นคือจุดที่องค์ทรงเน้นและก่อพัฒนสอนทำไม่เห็นหลงแม้กระทั่งสวรรค์ที่ว่าเป็นความสุขที่ว่ามีกาบคุณดํารุงดําเลอเพราะว่าผวาสวรรคนั้นก็เป็นเหตุที่ทําให้เกิดความประมาททาให้เกิดความมัวเมาทําให้เกิดความหลงทําให้เกิดการเรียนไหว่อยู่ในวัฏสงสาร แม้แต่สวรรค์พระองค์ก็ยังไม่ให้หลงไม่ให้หัวเมาท่านทรงชี้ไปที่นิพพานคือพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดท่านเอาไปจุดนั้นเพราะฉะนั้นเรานั้นต่างเป็นผู้ที่ปรารถนาความสุขที่แท้จริงปรารถนาชีวิตที่เป็นธรรมะปรารถนาชีวิตที่ไม่ตายก็ต้องอาศัยคําสอนพระเจ้าที่ท่านแนะนําท่านสอนไม่ให้ประมาทตั้งอยู่ในความไม่ประมาท คำาไม่ประมาทหมายถึงไม่มัวมาลุ่มหลงอยู่กับเรื่องของโลกมากจนเกินไปพยายามที่จะขวนขวายประงฝึกปฏิบัติฝึกขัดดัดนิสัยตัวเองนั้นให้เข้าสู่แนวทางแห่งอริยมรรคในองค์แประการดังที่เดากล่าวแล้วในครั้งก่อนด้วยการมือจิตใจที่มั่นคงในการที่จะเดินดำเนินชีวิตนั้นให้ถูกแนวทางที่ดีงามจงสามารถปลดเรื่องความทุกข์นั้นให้เบาบางลดน้อยออกไปได้ ด้วยการมาฝึกศีลที่ยังไม่มีก็ให้มีขึ้นฝึกสติยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นฝึกจิตที่เป็นสมาธิมีความมั่นคงฝึกปัญญามาถึงการรู้เท่ารู้พันต่ออารมณ์ความรู้สึกหรือการจงแต่งของจิตของใจรู้เท่ารู้พันต่อสังขารภายนอกภายในนี่เป็นการฝึกฝกให้มีให้เป็นแล้วมัจะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดความหลดความพ้นไปจากอารมณ์ต่างๆ นี่ก็เป็นส่วนที่ควรที่จะต้องประพฤติปฏิบัติต้องกระทำหากว่าเราไม่ทำเราก็ไม่สามารถที่จะรู้จะเข้าใจได้แต่ถ้าเราทำถึงมันจะช้าบ้างเราก็รอได้คอยได้ได้วยการฝึกการหัดการกระทำอยู่บ่อยๆถึงจะกลับไปบ้านก็ไม่ทิ้งถึงจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ทิ้งจากทำมีชีวิตที่ประกอบอยู่ยกับทำตลอดเวลาจะทำล่ททำสวนทำรา ช, กา ร, าช ก, การราชการหรือจะเป็น ครูเป็นอาจารย์เป็นอะไรก็ตามต้องเอาธรรมะไปประกอบเอาสติเอาปัญญาเข้าไปทําด้วยอย่าทําด้วยกิเลสทําด้วยความโลภความโกรธความหลงจงทํำด้วยศีลทําด้วยสมาธิทําด้วยปัญญาเอาศีลสมาธิปัญญาเข้าไปประกอบกับการทําหน้าที่ของเราแล้วหน้าที่การงานของเรานั้นมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้ชีวิตของเรานั้นอยู่มีอย่างมีความฝุกไม่เดือดร้อนสังคมเราก็จะอยู่ด้วยความไม่เบียดเดียวเึื่อนกันและกัน ต่างคนต่างคนเพื่อมีศีล ม, มีธรมธรมมีจิตใจที่เอมีเมตตากรุณาต่อกันมีความ ส, สำรักความสามัคคีรู้จิต ร, รู้ใจซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมันก็ทําให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างสบายเพราะเราดำเนินชีวิตได้ถูกทางตามแนวทางเห็นโทษของบาปเห็นโทษของความไม่ดีเห็นโทษของการกระทําทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็เห็นคุณของความดี เห็นคุณของสติสมาธิปัญญาเห็นคุณของศีลแล้วก็ทําสิ่งเหล่านี้ให้เกิดให้มีขึ้นในตนเองก็ชื่อว่าเราได้มีที่พึ่งไม่ต้องไปกลัวตายไม่ต้องไปกลัวภัยในขณะที่เราปฏิบัติศีล ส, สมาธิอยู่เราก็พึ่งสินี้แหละอาศัยสินี้แหละเป็นที่พึ่งของเราเพราะว่าเราเกิดมาเราก็มีที่พึ่งแล้วนอกจากความดีนอกจากสติปัญญานอกจากการกระทํำที่พร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่ย เราพึ่งสิ่งอื่นพึ่งไม่ได้พึ่งผีสางเทวดาพึ่งเ อ, อภูเขาต้นไม้นั่นไปพึ่งไม่ได้แล้ ว, ลวพึ่งไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เมื่อเรามาพึ่งพระธรรมใจพุพะธรรมประสงค์แล้วก็มาพึ่งการกระทําของตนเองเชื่อมั่นในการกระทําของตนเองสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทเห็นภัยในชีวิตเห็นภัยคือความทุกข์เห็นภัยคือสังขารมันไม่เที่ยง เห็นภัยคื อ, อจุดใจที่มันอเอโลดมันโกรธมันหลงเป็นผู้เห็นภัยอย่างยี่ตลอเดเวลาก็จะเป็นผู้ที่เดินทางก้าวไปทั้งหน้าโดยที่เราสามารถที่จะถึงจุดหมายปลาทางได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเราประมาทไม่เอาใจใส่ในหน้าที่ไม่เอาใจใส่ในการปฏิบัติแล้วมันก็เป็นเหตุทําให้เรานั้ น, นมีแต่ความหลงมัวเมาประมาทเป็นผู้เดือดร้อนอยู่เพราะว่าความสุขของเรานั้น มันเป็นสิ่งที่เราต้องกระทาเหตุให้เกิดขึ้นถ้าเราไม่ทาเหตุผลก็ไม่มีแต่เราทาเหตุถูกต้องผลก็เกิดขึ้นมาตามความสามารถของเราวันนี้ก็ให้ข้อคิดกับอายาติธรรมเพราะเห็นสงควรใจเวลาก็ขอสรุปในหัวข้อการพูดกล่าวมาว่าต้องเป็นผู้ที่ฝึกสติสัมปทัญญะของเราเองนั้นให้อยู่ทุกอิยาบทแห่งการเคลื่อนไหวกาย เมื่อเราสามารถทำความรู้สึกเป็นไปในการได้ชัดก็สามารถที่จะรู้เท่ารู้ทันต่ออารมณ์ความรู้สึกในทางด้านจิตใจได้ชัดเจนสามารถที่จะรู้เท่ารู้ทันต่อจิตใจหรือกิเลสต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจและจนกว่าสตินั้นจะเกิดความสมบูรณ์เมื่อสติสมบูรณ์นั้นสติจะถูกพัฒนาให้เป็นปัญญาเป็นญานที่สามารถอย่างรู้ตัดกระแสของการเวียนว่ายตายเกิดหรือตัดกระแสแห่งวัฏฏะตรงสามนั้นได้ขาด จนสามารถทำจิตนั้นให้อยู่เหนือโรคอยู่เหนือความสุขอยู่เหนือความทุกข์เป็นผู้ที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ขอให้เราทั้งหลายจึงเป็นผู้ได้ตั้งอยู่ในความไม่แประมาทพยายามที่สร้างสมบุกบรณ์จิตใจถื่นยังไม่มีก็ทําให้มีสมาธิยังไม่เกิดก็ทําให้เกิดปัญญาก็พยายามพุทธะลงอย่างรู้เห็นเข้าใจในงขรานร่างกายของเราตามความบนจริงก็ข อ, ขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้มาเริ่มมาพุทธปฏิบัติธรรมนี้ จงรับเอาหลักการวิธีการที่คณะครูบาอาจารย์ได้ให้ไปแล้วในการปฏิบัติจงพยายามที่จะพัฒนานั้นพัฒนาในการกระทานี้ให้เจริญรุ่งเรืองสามารถดับทุกข์ดับโศกดับอภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้กัน้วยกันทุกคนทุกท่านเพลิน